แต่ถ้าเป็นคำจริงและมีประโยชน์แล้วก็มีใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสพร่าเพื่อพระองค์จะทรงพิจารณาการละเทศที่สมควรก่อนแล้วจึงตรัสวาจานั้นถ้าเป็นการละเทศอันสมควรแล้วแม้บางคนจะไม่ชอบพระองค์ก็คงตรัรสประทรงมุ่งประโยชน์มุ่งอนุเคราะหสัตว์เป็นที่ตั้งเมื่อได้ซ้อมความเข้าใจกันอย่างนี้แล้ว